ผู้ทว่าสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะในการสนสนีสนทนามาอีกแล้วนะคะเราก็มาพบกันในโอกาสใกล้จะตรุษจีนเต็มทีตรุจจีนเป็นวันดีที่ว่าจะทำกันแต่ในสิ่งที่เป็นมงคลอันนี้เป็นความรู้ที่เียงก็หามาพอจดจําได้นะคะว่าเขาจะไม่ทําในสิ่งที่เขาถือว่าไม่เป็นมงคลยกตัวอย่างเช่นจะไม่กวาดบ้านจะไม่ด่าว่ากันจะไม่ไปงานศพดังนี้ ส่วนแง่มุมทั้งหลายที่นอกเหนือจากนี้นะคะเดี๋ยวจะไปกราบเรียนถามท่านพิบูต ร, รวมทั้งคําถามที่เคยตั้งค้างเอาไว้ตั้งแต่ในวันก่อนด้วยนะคะตอนนี้เไปพบกับพระพิบูลอภิภูมินวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีค่ะกราบนามรกสการันนะคะใช่ปานค่ะเมื่อวานนี้ได้กลับเรียนถามท่านถึงเรื่องการนําเอาธรรมะมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ได้เห็นว่าบางคนก็บอกว่า ต้องเลือกใช้ให้ถูกนะเพราะว่าถ้าผิดกาลเทศะแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างเช่นสถานการณ์เขาร้อนแรงร้ายแรงจะมาพูดว่าอะไรเกิดแล้วมันต้องดับอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ <c oughs> เป็นต้นจริงๆแล้วเป็นยังไงเลยคะท่านคะต้องจะบอกถึงว่าธรรมะเนี่ยใช้แล้วมันอาจจะผิดหรือว่าใช้แล้วอาจจะทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนความบิดเลา ด, า ด, ลาดนะมันคือต้องทําความเข้าใจว่าลึกก็มีตื้นก็มี นะคือแล้วถ้าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจธรรมะที่ลึกๆแต่ว่ามีคนมาพูดธรรมะลึกๆให้ฟังเขาอาจจะไม่พอใจเขาอาจจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นนะซึ่งความขัดเคืองนั้นก็เป็นสิ่งที่บุรุษช า, าให้ละอยู่ดีเราก็ต้องพูดถึงว่าไอ้ธรรมะนี้ก็ต้องให้ละน ะ, ะตรงนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันให้มันลึกซึงก้ง น, นะเพราะถ้าของลึกเราทําความเข้าใจไม่ลึกมันอาจจะกลายเป็นเรื่องเครืองถ้าถ้าคนพูดเขาหมายความไปอย่างนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราจะจะพูดถึงว่า เอาถ้าใช้ให้ถูกนะตื้นกับตื้นใช้ในถูกสถานการณ์ธรรมะนี่จะมีประโยชน์มากแล้วจะถ้าจะบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันไม่เหมาะกันเนี่ยอรมาคิดว่ามันแค่ความลึกซึ้งในแง่มุมท่างต่าเองนะจะบอกว่ามันไม่เหมาะนี่คนละเรื่องเดียวกันนี้จะทําให้เกิดโทษคงจะพูดอย่างนันไม่ได้นะเช่นบอกว่ า, าถ้าเราบอกคารวาสบอกว่าเฮ้ยคุณต้องอทิ้งให้หมดทุกอย่างอย่าไปสนใจทุกอย่างเป็นของปล่อยวางหมด มันมันฟังแล้วมันงงๆนะคารวะก็ต้องหาเงินถูกไหมคารวะก็ต้องเลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูทําอย่างงู้นอย่างนี้ไปทํางานวุ่นวายเลยจะไม่ให้ฉันปล่อยให้ฉันวางเมืนไม่ได้ไม่เข้าใจพูดอะไรเครื่องนั่นกลายเป็นอย่างนั้นก็มีแต่ว่าไอการปล่อยวางเนี่ยมันเป็นของสมณวิสัยนะสมณวิสัยก็ก็ควรจะต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่ถ้าเป็นกระดองพระใช่สมณะก็คือผู้ที่เป็นพระเป็นความสงบต้องการประพุติพรหมจันทร์ นะหรือแม้แต่ตัวเราบางทีในปีปีหนึ่งเราอาจจะฝึกอย่างนี้สัก7วันสิวันอันนี้ก็ทําได้อันนี้ก็ควรทำด้วยซ้ำนะในวิสัยอย่างนั้นคุณก็ควรจะต้องเอาําสอนลักษณะนี้เข้าไปนะในขณะเดยียวกันพรพุทธเจ้าก็ยังสอนเรื่องที่ว่าออคุณต้องขยันทํามหากินนะออต้องมีอาบเหงื่อต่างนะ้ำมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นนะรวบรวมมาด้วยกําลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงือ่อเงิอนอย่างนีนะ้สอนเรื่องของการรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ นะต้องทํางบประมาณรู้จักรายรับรู้จักรายจ่ายนะสอนการคบเพื่อนยังไงเพื่อนดีดูยังไงเพื่อนชั่วดูยังไงนะอสอนหมดเลยดูแลลูกเมียยังไงสามีดูแลยังไงสอนหมดเลยเราก็เอาตรงนั้นธรรมะตรงนั้นที่เกี่ยวข้องสามารถที่หยิบจับไปใช้ได้ทันทีนะเอามาใช้ก็ได้แต่ถามว่าไอ้ที่ปล่อยวางปล่อยวางเอามาใช้ได้ไหมได้สิถ้าผูกว่าเขาเข้าใจความหมายในลึกเบื้องลึกซึง้งอย่างเช่นตอนที่เราวุ่นวายวุ่นวายเนี่ยถ้าใจเราปล่อยวางได้ นะความวุ่นวายนั้นจะไม่กระเทือนในจิตแลนะก็จะงานการเราก็ทําไปแล้วนะก็ปล่อยวางในใจของเราเราก็ทําได้อย่างดีอย่ที่ไม่ติดยึดนะจะสุขจะทุกข์ก็ทําได้จะชอบไม่ชอบก็ทําได้จะสศกโปรกจะสวยงามเราก็ทําไดนะ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมะไม่ลึกซึ้งแล้วฉาบช่วยไปแล้วทําให้จิตใจเราเครื่องเกิดขึ้นนี้จะเป็นโทษด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่า ธรรมะบางอันดีบางอันไม่ดีกับในบางสถานการณ์อาจมาว่ามันดีหมดนแต่ว่าคนเอาไปใช้เนี่ยใช้ถูกไหมใช้เป็นไหมใช้เข้าใจไหมแค่นั้นเองอท่านงั้นถามในสถานการณ์ที่สมมุติว่าเล่าให้ฟังถึงการเดินทางไปสังเวชนิยสถานอืแล้วก็ได้ไปเห็นวิถีชีวิตของคนที่นั่นในละแวกนั้น ซึ่งอาจจะยังไม่พัฒนามากก็ยังดูเหมือนกับมาตรฐานสุขอนามัยไม่เหมือนเรานะคะแล้วก็บางทีก็เลยอาจจะเกิดความขยะแขยงเช่นห้องน้ำก็แขยงว่ามินว่าอะไรก็มีอาการออกกันมาหมือค่ะสมมติว่าเราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันเราสามารถจะให้สติเขาได้ไหมว่าเออพระพุทธองค์ยังตรัสสอนว่าถ้าเราสามารถพิจารณาสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลให้เป็นปฏิกูล เชนะิญสิ่งที่เป็นปฏิกูลไม่ให้เป็นปฏิกูลได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีใช่การและเทสะที่จะพูดอย่างนี้หรือไม่แล้วถ้าท่านจะช่วยเมตตาให้ความรู้คนที่ยังไม่เคยคุ้นกับสิ่งที่พูดนี่เลยอยากให้ความรู้ด้วยเป็นธมอาตมาจะบอกงี้สั้นในกรดีอย่างนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าให้เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายนะให้อยู่ง่ายกินง่ายการให้มีความสะดวกในเรื่องของประจัยสีนะอันนี้จะทําให้เราเป็นผู้ที่ รุ่งเรืองในธรรมะวินัยนี้นะถ้าเราอยู่ยากกินยากอันนี้ก็ไม่เอาอันนั้นก็ไม่ได้ห้องน้ำแบบนี้ไม่ไคุณจะมีปัญหากุณเองนะคุณจะอยู่ยากในธรรมวินัยนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ง่ายกินง่ายอันนี้มันเข้าใจได้ทันที้วก็พยายามปรับตัวให้เราอยู่ง่ายกินง่ายสันโดดด้วย<ะ>เรื่องของอาหารเรื่องของที่อยู่อันนี้ดีแน่ในขณะเดียวกัน<ะ>ถ้าคนฟังแล้วเขา เขาเข้าใจอย่างที่คุณยมถิวพูดเนี่ยนะให้พิจารณาเห็นปฏิคุณในของที่ไม่ปฏิคุณอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ย uh, ถ้าเขาเข้าใจในเบื้อเนื้อหาเบื้องลึกจิเขาก็จะสบายไปเลยจิเขาก็จะสบายไปเลย ก, ก็ได้เหมือนกันนะ uh, ถ้ากลับมา <c oughs> ถึงหมวดธรรมะท่ว่าเนี่ยอะไรคือปฏิคุณ <c oughs> อะไรคือไม่ปฏิคุณทําไมต้องฝึกให้เห็นในสองแง่3 า, ามแง่แล้วต้องทําความ <c oughs> เข้าใจก่อนว่าไอ้ปฏิคุณมันคืออะไรนะคือของที่เราไม่พอใจไม่ชอบนะเช่น ของปฏิกูลทั้งหลายแหละนะคง <Ha. S 1> จะเข้าใจกันอยู่แล้วก็ไม่ปฏิกูล น, นี่คือในลักษณะไหนก็คืออย่างเช่นของสวยๆงามๆดอกไม้ อ, อาหารที่ดีๆอย่างนี้เป็นต้นนะก็ควรจะ <Ha. S 1> พิจารณาให้เห็นว่าไอ้ของดอกไม้อาหารที่ดีๆอย่างเงี้ยถ้ากินเข้าไปมันออกมาเป็นของปฏิกูลอก็คือเห็นของไม่ปฏิกูลโดยความเป็นของปฏิกูล <Ha. S 1> เห็นอาหารโดยความเป็นของที่มันออกมาเบื้องต่ํานะ หรือในทางตรงกันข้ามก็ต้องพิจารณาตรงกันข้ามประโยชน์ที่จะได้จากตรงนี้เนี่ยก็คือการที่เราสามารถที่จะฝึกการปล่อยวางได้อย่างรวดเร็วฝนะึกการปล่อยวางได้อย่างรวดเร็วทําไมต้องทําอย่างนั้นเพนะราะว่าถ้าเราปล่อยวางได้ช้าความทุกข์มันก็เกิดอยู่ตอนตอนที่เรายังปล่อยวางไม่ได้นะเขาก็ต้องมีการฝึกระดับขั้นตรงนี้พระเจ้าอธิบายให้เพื่อเพื่อที่จะให้สาวกเนี่ยได้ฝึกทำนะในทั้งเห็นของชอบโดยความเป็นของไม่ชอบ เห็นขอไม่ชอบโดยความเป็นของชอบในเห็นทั้งของชอบและไม่ชอบเนี่ยโดยความเป็นอุเบกขานะเราฝึกเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยใจเราจะสามารถรองรับได้ทุกสถานการณ์ของดีมาเราก็ไม่กำหนัดลุ่มหลงเปลือเปล่า ม, ว ม, ว ม, วมวัวเมาของไม่ดีมาเราก็ไม่ขยะกขยงเกลียดจางความความความอาฆาตให้เกิดขึ้นขนะองยังไงมาเราก็รับได้หมดจะสบายใจนะก็ได้2ข้อใหญ่แล้วนะคะอยู่ง่ายกินง่ายจะทำให้รุ่งเรืองในธรรมกับในเรื่องของ การเห็นปฏิกูลไม่เป็นปฏิกูลและเห็นสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลเป็นปฏิกูลเนี่ยจะทําให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นอืเติบขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์กับการที่จะวัลุธรรมขั้นสูงต่อไปถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องค่ะอ่าทีนี้มาเรื่องที่ที่ฉันเกริ่นไว้ตอนนําเข้ารายการถึงอ่าความเชื่อในเทศกาลตรุจีนที่บอกว่า เขาก็จะให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีมุงคลใส่เสื้อสีสันสดใสบ้านไม่ให้กวาดเขาเรียกวอะไรคะไปงานศพไม่ให้ไปเป็นต้ น, จ ร, นจริงหรือไม่แล้วก็ถ้ามองในทางธรรมมีอะไรที่จะให้ประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นไหมคะพูดถึงเรื่องของเรื่องยำยำดีหรือว่าเรื่องการถือว่าต้องทำสิ่งนี้ไม่ทำสิ่งนี้พต่ผู้ชาให้กฎเกณฑ์เอาไว้อยู่สามข้อด้วยกันก็นะ ค, คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดดี นี่คือข้อที่1 2คิดดี3ทําดีการทำนี่คือการกระทันตางกายนะัคือมีการกระทันตางกายการกระทันต่างวาจา ก, การกระทันต่างใจที่ดีเนี่ยเวลานั้นเนี่ยจะเป็นเวลาเช้ากลางวันหรือเย็นเป็นวันไหนนะมันจะเป็นเรื่องงามยามดีที่ดีเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นก็เรียกว่ารางดีนะรางดีไม่ใช่รางลายทีนี้ประเด็นมันคือตรงนี้คุณยมติว่าอย่างสมมตุติถ้าเขาถือเรื่องกวาดบ้านอย่างเงี้ยเขาถือเรื่องกวาดบ้านปุ๊บเป่าก้นมีคนไปกวาด ทำแก้วแตกแล้วมันต้องกวาดนี่ใช่ไหมกวาดปุ๊บเขาจะคิดว่าโชคร้ายนะคือไอ้ความคิดตรงนั้นของเขาเนี่ยความคิดตรงนั้นของเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามโนกรรมนะเป็นมโนกรรมเป็นการกระทําทางใจเป็นการกระทําทางใจที่ไม่ดีเป็นการกระทาํารรทางใจที่เป็นอกุศลพอเป็นการกระทําทางใจที่เป็นอกุศลแล้วเพราะว่าตรงนั้นมันก็เลยทําให้แบบอาจจะเกิดสิ่งไม่ดีคิดว่าตรงนี้ไม่ดีทําอะไรไม่ดีขึ้นมาเนะ่ยเพราะเพราะตรงนั้นนั่นเองเพราะตรงใจที่มันไม่ดี รวมถึงทางการดา่าการลักการขโมยคือการกระทำทางกายการกระทาทางวาจา ก, การกระทำทางใจด้วยซึ่งถ้าสมมุติเราออกกฎหมายออกกฎหมายถือกันมาว่าเอางั้นก็กวาดบ้านสิดีถ้าผมว่าวันนั้นตื่นมาไม่ได้กวาดบ้านต้องหามีคนมาหากวาดเออเราก็จะสบายใจไอ้ความสบายใจตรงเนี้ยจึงเป็นเรือดีเป็นเรื่องรังที่ดีเป็นมงคลตรงนั้นเพราะมันเกิดจากผลคือใจที่สบายหรือใจที่ไม่สบาย ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วใครจะทำอะไรยังไงก็ตามเนี่ยดิใจเรายังคงความสบายอยู่ได้ตลอดคงความสิ่งที่เป็นกุศลอยู่ได้ตลอดเนี่ยตรงนั้นก็เป็นเรื่องงามยามดีได้เนาะัอบกว่าความเชื่อบรานกาเชื่อสืบๆกันมาก็ไม่เป็นไรเราก็ปรับตัวไปแต่ถ้าเกิดในความเชื่อนั้นมันมีความจำเป็นเราก็อย่าไปทาเราอย่าไปรู้สึกว่ามันไม่ดี ถู่ถ้าสมมติว่าอย่างที่ท่านยกตัวอย่างมีของ<น>แตกต้องกวาดเนี่ยเราก็ต้องทําใจรักษาใจของเราให้ได้แต่ตอนนี้ในที่นั้นเนี่ยถ้าคนอื่นเขายังทําไม่ได้รักษาใจของเขาเองไม่ได้แนะเราก็ต้องมีการพูดจาทาให้จิตใจเขาตั้งอยู่ในกุศลธรรมไม่ได้นะเรื่องนี้ <c oughs> ยังรวมถึงอื่นๆด้วยนะคุณโยมติ๋วไม่ว่าจะเป็นยิ่งจกทักนะตา ข, ขวากระตุกนะหรือว่าอะไรอ่ะอื่นๆที่เขาเชื่อใจกันห่วงจุ้ยทั้งหลายอะค่ะเอออะไรอย่างเงี้ยนะ มันคนสร้างเป็นถาววัตถุมีคนมาทักบอกโอ้อ็นนี้ผิดหลักควงจุย้ยกังกวล <น S 2> ละกังวลล ะ, ละอ่าใช่ก็ต้องก็ต้องรักษาใจให้ดีอแต่มามีเคยมีลักษณะนี้ก็คือสมมุติไปดูหมอหมอดูทักว่าไม่ดีอย่างเงี้ยเอยใจเราก็ไม่มันคงละแหมทําไ ม, ไมเป็นหมอดูทักงี้เราก็ไปหาหมอดูที่ว่าจะพูดดีๆและพูดให้เราสบายใจเราก็จบที่ตรงนั้น <laughs> แลกจ็จริงๆนะเอาก็เป็นอย่างนี้สมัยเป็นคารวาสมาเป็นอย่างนี้ แต่เพราะว่าเรายัางวางใจเราไม่ได้วางใจเรายัางไม่เป็นนะถ้าแต่ถ้าวันหลังเรารู้จักวางใจของเราได้เราก็ไม่ต้องพึ่งสิ่งพวกนี้แต่นะแต่เราเพึ่งใจใพึ่งการกระทํำทางใจพึ่งการกระทํำทางวาจาพึ่งการกระทําทางกายแตนะพึ่งตรงนี้ให้เลือก ง, งามยามดีมันปรากฏขึ้นได้<ล>นะพระพุทโธก็ได้ตรัสแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวอ่าไม่มีเร่อ อ, อ่าคือเป็นเป็นพุทธวจนะชัดๆว่ายังไงนะคะใช่มันร<ง>ตรัสว่างี้บอกว่า เวลาใดก็ตามที่มีการกระทําทางกายมีการกระทําทางวาจามีการกระทางใจที่เป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าเวลาเช้านั้นเป็นเวลาดีเป็นเรื่องดีถ้าเป็นเวลากลางวันกลางวันนั้นเป็นเวลากลางวันที่เป็นเรื่องดีถ้าเป็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่เป็นเรื่องดีโดยสิ่งอื่นๆภายนอกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องคือมันจะเกี่ยวข้องผ่านทางกายวาจาใจแล้วนั่นแหละแล้วผลที่มันจะเกิดขึ้นก็คือตรงนั้น ค่ะจึงหมายความว่าเราสามารถทําเรื่องดีให้เกิดขึ้นด้วยตัวเราได้ได้ได้นะคะคือการประพฤติกายวาจาใจที่ดีนั่นเองนี่ได้เคล็ดลับทีเด็ดอย่างดีแล้วหมดเวลาพอดีเลยค่ะท่านะนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้สบายใจที่ว่ามีแนวทางของพระพุธทธองค์มาไปใช้แล้วในการดําเนินชีวิตนะคะจะได้ทําอะไรกันอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมา รู้สึกวิตกกังวลเพราะว่าความเชื่อที่ปลูกฝังกันมาช้านานนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์จากการได้เข้าถึงธรรมะของพระศ า, าสดาแล้วก็ต้องกราบนนวสการขอบพระคุณท่านไปบุญเอาไว้นอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะวออนวส ก, การกับท่านเาาาขากับท่านฝั่งคขา้วนั้นก็คือพระเพริบุญอภิปุณโ น, โนนะคะวัดป่าดอนหายโศดรนธานีอำเภอหนองหารค่ะที่นั่นมีการจัดคอสปฏิบัติธรรมเป็นประจํา ทุกเดือนและปีหนึ่งหนึ่งครั้งก็จะมีคอร์สภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่สนใจหรือว่าอาจจะเข้าใจในภาษาสากลมากกว่าด้วยวันนี้รายการสันสนีส น, น, นะคะก็ต้องบอกว่ามีความรู้สึกดีนะคะที่ได้นำเอาแง่ธรรมเหล่านี้มาให้ท่านทั้งหลายเพราะเราถือว่าล้ำค่ากว่าทรัพย์อื่นใดนั่นก็คืออริยทรัพย์ และสิ่งที่เรามาพูดทั้งหลายน ะ, ะจะนำท่านไปสู่อาริยศทรัพย์ติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันสันสินาพงลาไปก่อนพุทธสวัสดีค่ะ